เรื่องเขียงเท้าใบตาลครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นกรุงราชคฤื้ตามพระอัธยาัยแล้วสเสด็จจาริกไปทางกรุงพราราณสีสเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงพาราณสีแล้วทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปัตนะมะลึกทายวันในกรุงพาราณสีนั้น สมัยนั้นพวกภิกษุฉพักคีได้ปรึกษากันว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามเขียงเท้าไม้จึงให้ตัดต้นตาลอ่อนแล้วใช้ใบาตาลมาทำเขียงเท้าสวมต้นตาลอ่อนที่ถูกตัดนั้นๆย่อมเหี่ยวแห้งคนทั้งหลายจึงตาหนิประนามโพรธนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื่อสายสากยาบุตร จึงให้ตัดต้นตาลอ่อนใช้ใบตาลทำเขียงเท้าสวมเล่าต้นตาลอ่อนที่ถูกตัดนั้นๆย่อมเหี่ยวแห้งพระสมณะเชื้อสายศักยะบุตรเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตซึ่งมีอินทรีย์เดียวภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตำหนิประนามโพรธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุจะพักขี่ให้ตัดต้นตาลอ่อนนําใบตาลมาทําเขียงเท้าสวมต้นตาลอ่อนที่ถูกตัดนั้นๆย่อมเหี่ยวแห้งไปจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาค พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายชะไหนโมคะบรุษเหล่านั้นจึงให้ตัดต้นตาลอ่อนใช้ใบตาลมาทำเขียงเท้าวสวมเล่าต้นตาลอ่อนที่ถูกตัดนั้นๆย่อมเหี่ยวแห้งไปภิกษุทั้งหลายเพราะคนทั้งหลายมีความสำคัญว่าต้นไม้มีชีวิต ภิกษุทั้งหลายการกระทำของโมคะบุรุษนั้นมิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตำหนิแล้วแสดงธรรมมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมเขียงเท้าใบตาล ร, รูปใดสวมต้องอาบัดทุกกฏ